มันก็คัดของเสแล้วพวกเทพมุงดีก็คัดของตะอพวกมุงซัวเพราะมันอยู่ในโลกด้วยเดียวดิพวกพวกมุงซัวก็คัดของต่อพวกมุงดีว่ามากจิจกวางตัพวกมุงดีกับว่าพวกมุงซัว ม, มากแ็ดไหนซะ มาเห็ดไอ้จับวติ์เพราะมันจริงก็ยุ้ยเนกล่ำและคนเองกล่ำให้พายุระดับใดเมื่ควมเห็นระดับใดที่กลมกึืนกันกับเขากันได้ควมเห็นระดับบ่กลมกลืนกันกัขากันบ้างแะมันทางแยกกันเองอควบผูกพิษเล็กสัวยังไรผมี้ายไปแยกไคควมชอบแล้วควบไม่ชอบนี่มันถึอ ท่านไหนจานชิ้นข้าวองพันเทศแล้วก็ถือเป็นคตีอยู่ข้ิ่งที่ชอบนะถือเป็นเครื่องเบาเบสอยู่นังดูละคร น, นังฟังรำฟองเพลงก็ได้่หอดมือเส้าชิ่งที่ผู้ชอบเลยอย่งนี้เสียงธรามาขึ้นปานหอกแท่งหูมาสั้น อ, อย่างที่ท่านบอาเป็นคติอยู่แมนตะบัตันวาบัตันวาอีกกับแมนอีกพระฟรังที่มาอยู่น้ำเห่าที่มาอาศัยเห่า มาสาพวกพระท้ยเฮ้ายู่ผมที่ถือเสียงเิ้งเบียงว่าเหมือนกับหลวงปู่มหาบัวผมก็ถือว่าได้เพราะอัจรรยุตาลูกจับะมานตนอีกผมก็เลยมอบให้พระโพธ์กับสงเห็นสมควรจังไหน เป็นผู้พิจารณาซอยครับแล้วหลวงปู่มหาเน่ในเรื่องสีรับค้นหรือสีบวรับค้นบางข้าพนก็เอาใก่พนเพืพ่ดเดียวบางข้าพนก็ฟังเสียงสง ค, คือไก่ฟังเสียงมูเสีงเพี้นคือไก่เส็นฟังเสียงคุ้นอินเป็นต้น เสียงท่านปยุนเป็นต้นฟังเสียงท่านบุญมีเป็นต้นไปสักกอนบางเท่าเพราะเพิ่งกับว่าตามเห็นอยู่กูบันย่างเนีแต่ห่างเห็นเพิ่งก็บเบื้งแคบเดียวทะเลาะเพื่อไหนมันติดขวางมูหรือว่ขวงก็ดีแต่ห่าค่อยฟังเสียงมู เพิ่อกติดปากอยู่เสมอรับค้นเขาสำนักนักทอแผ่นดินนี่ลวงผู้ฝันเคยบอกลวงาอหลวงผู้มันก็คยอยบอกะจักสิเ ป, ป๋ไปจักสิบานเปหรือบานก็นยอม บ, บางข้าวก็เลยงมอบแทนเป็นเรื่องของเขา บางข้าก็เอาเป็นเรื่องของโตตัดชิ้นเองเห็นคำพระองค์เจ้าสิพระเทวทัตกับพระนาซีเป็นไปพระองค์เจ้ามงนมีซ่านมียอ่อกหรืออืมจึงให้พระเทวทัตบวชพระองค์เจ้าบอว่ลูกก้อนหรือลูกยุกแต่อเมริกมันมาเกยมาผาดประเทศตามเรื่องเกยเดื่องผัดไปซื่อ พระเทวทัตแผ่นดินสุกทั้งเป็นมีประโยชน์หรือไม่สุภ ป, ปุทะแผ่นดินสูกทั้งเป็นเพิ่นบ่งหมวเมื่าสุภ ป, ปุษฏะกับเทวทัตจิเป็นไพ่เพิ่นบอกเพิ่นจะไปเอากำนางพิมพา่าซึงเป็นลุงเพิน่นซึ่งเป็นพระเท่าเพิน่นเพิ่นเกิดุกเพจก่จะกระตาปูนยตาเคยเดียวมอมหักมอมสร้างกันมามันกะลีกางา ส่วนผลอันนั้นสุดท้ายมันก็นันรูเบคากรรมของผ้ายของมันมันแก้ไขไม่ได้มันก็บมีทั้งซั่วมันก็บมีทั้งดีขังพระเจ้าก็ได้เถิดกะนับเอาแต่ผู้ดีผู้ซั่วกับพวกชาพวักขี่มุนเนอโคขัง ตงี่ขาบ ท, ทั้งหลายก็นเนื่องด้วยพระพระพระพีทั้ทงนั้นหละที่ขบดทั้งหลายเกิดขึ้นนะที่ขาบที่ตั้งด้วยพระอระหันต์เป็นเสื้อหน่อยตั้งน้วยพระปิณฑนิดนึงเพื่อแสดงหออบาตไมจันน์นั่นในตำพิณ า, ามันนะไดไว้ิึตี แสดงบัตเตร์ลมันจะทำที่มีจิงแก่นุ่มฟสำบันแต่นันมาเพิ่นกรเล็บโบไเฮ็ด oh จนพุทธส้นคนหนานับบอาไว้อโลดมือนึงมือนึงในทรัละเหลืองลูกชาลพัทไทยประทุกันพระ อ, องค์เก่าจีวรต้องถูกแต่ห่างเพิ่น ถือเป็นเรื่องเบาของเพิินมาพอเพลินเพลินพุทธภูมิกำลังสติกำลังปัญญากำลังใจกำลังบาลามิของเพลิน ม, มันเหนือไปแล้วเมื่อนี่เป็นของกลินกระปุลของเพลินซะพอปันทักนั่งละพ่อปิสุสัมมเนียนคลองอุบาโสอุบาสิกาพ่อพุทธบริษัททั้งทีทั้งปริภาสก ทังผวกเดียร์ละทีสารพัดที่เขามาหาแต่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไลไเขามาเมื่อตัวท่านมือท่านมันมีแพ้แพ้ที่เอาบายาพิษมาทุกทิศ ท, ทุกทางมาเท่ห้มันกับบรับไหวอุกม่าคือหนามนหาสมุรทรทะเลเนี่ยแพ้ที่ทิมสากศพโลกไซส่ก็ตามมันบกเก็บไว้ในกามหาสมุทรมันซัดขึ้นฟังมด เรื่อองสัตว์เอาโหลดผ่านอุปสรรคทางในผ่านอุปสรรคทางหนือ พวกนั้นน้ำคืนมาผมว่าไม่คว้มเทศผมก็ได้เทศไปเมื่อวานเนี่ยพวกแกาเนี่ยคืนมาคำๆหมามาเม็ดเนี่ะ ชู้ชั่ง ม, มาเน้ไม่นาที่จังไรขอวัดปฏิบัติจะของจังไรที่พระพุทธเจ้าทรงมัญญิไหวก็ทําตามส่วนหลักส דור ไม่นาที่จังไรจึงสมฐานะเราเป็นหลักส דור เพราะนัน้นก็ต้องปฏิบัติตามเจ้าหน่าย ที่ปกครองเราเป็นหน้าที่ของเจ้าน้าีหน้ า, นาที่ปฏิบัติอย่างไขอ ห, หมันสมธนะของที่เป็นเจ้าเป็นหน้สมธนาของที่เป็นหลับสดสมนาของที่เป็นพินนคุสามานิเนีย้อมามคีนเบ่อเอิหามันกามาดอกนในเทศทั้งต เ่าจะไปเอาของเอากองมาตีสามัคคีก็สามัคคีเลยสัวข้าชุดผ้าฝันฝ้าล่ำก็ได้กับสามัคคีเลยส้วข้ า, า, า, ส, าสําหรับผู้จิตต่าสําหรับผู้จิตสูงที่ซือสินหาสินแปดไปแล้วกเกิดเป็นเครื่องสแสดงเมั่วมสม เพราะในโลกมันเป็นขนมก้อนเดียวกันมันกันยากคันหักว่าราษฎรจะควาให้ไต้เจาจะไายเอาสิ่งเอาของไม่แกกจังสิว่าดีย่ามอมไม่ไม่เกนี่แหละสิเฮ็ดติงไลยเชเอามาจะใส่ก็ว่าบดีท่านละ อันนี้ก็เป็นหน้าที่รัฐส่วนจงหูวจักถามว่ารัฐบาลเฮ็ดยังให้ถนันหนทางให้กับพักการหัจักสอมแซมตำรุจทักพังก็ได้ดีไปดีนัดเน็กลักเอาไปตะพื้ตะพื้สารพัดสรีเปทับถมแต่รัฐบาลก็ไปบลวชอีกเหมือนกันห้อยอันพันแนว ของพระพุทธเจ้าปกค้องโลกเมื่อมันสิมุ่งปกคร้องถ้าพรปพิชุสามเานนผู้บวชเขามาหาโตทำคำส่องสอนของผนมันปกคร้องอยู่ในตัวแล้วไผทีบ๊อบฟังมันกระถือนักเรียงิงนักเร่งสุร่านักเลียงใ น, ก, น, า น, ก, นาการพานั่นขคขาบก้นซัวเป็นมิรปุ่งนี่ชาโลออกไปประพุทธ มันกับพิสวดอาบายามุกมันสุขทุ่มผูกขา้มา่ในวัดขันมุงมหาชินาถ้ำแท่มันกับว่าเป็นปัญหามูกมุงมาผูกเอาเล็กเอาวัดเอาเบอร์เ อ, เ, อรเอาข้อม่อน้ำพายเจ้าะสมสับไว้น้ำเจ้านหน้าย ผู้หลงเสื่อไปนําเขากัะมี่ไปถ้ามาเทศชนะอันนี้ดีๆพระเจ้าพระสมผู้บวชมากในพระพุทธศาสนานี่ผู้บวชอย่างชีวิตก็มีผู้บวชพราไทยชื่อไทยเสียงก็มีผู้บวชโดยตื่นข่าวก็มีผู้บวชหวังเพื่อเป็นพระปัจเจก สั่งเป็นพระเจกกม็มีผู้บวชหวังสั่งบารมีเป็นพระพุทธเจ้ากม็มีผู้บวชหวังพ้นทุกในศาสตร์ทวศิียรรมเตุใก็มีผู้บวชวังพ้นทุกในปัจจุบันศาสตร์กม็มีเมื่อเจตนาของมิสุสัมเนตต่างๆกันตามกรรมของผู้ใดที่สั่งมาหน่อยและมากทั้งสี่แล้ว พกงานพวกง z มกับวเสมือกันอีกคือกันเขาไปห้าพระเจ้าพระทรงฆ์ใบเล่นกม็มีอ่ฝนตกขีมาลัยข้นจังให้มาหงอมกันอยู่แน่ใจโลกธาตุนี่เพราะบ่ทันมีขันเพราะท่านบ่ท่านมีสัตย์เพราะบ่ทันมีพูด พวกมีสั่นมีภูมิแลพระองค์รับรองทัปรโสรดาบันชักข้าฆ่ามีอนาค่ามีขึ้นไปจนถึงพระหนันนเลื้อนอกด้านคกิไม่แน่นอนเพราะมีหลายบางที่ขันว่าเป็นทั้งสี่การพกขรองโลก มันก็เป็นของอยากสำหรับาพาเปียตุสซามเนีนมุ่งผูกคลองตนเองมันกับตนเองว่าไ้เพราะอยู่ผู้เดียวว่ร์เพนตก็มีหมูมีเผื่อนอีกคือกันสำหรับผู้สังขาราวาดัดมุ่งเอาตัวรอด ก็เอาตลอดว่าด้ไม่ลูกมีร้านมีเล้ยนมีหล่อนคือกันเหตุยังสั่นพระยตพระพุทธเจ้าพระยศบริกรรมไปว่าที่นี่หมุนไห้เน้ะที่นี่คัดคลองเน้อที่นี่หมุนไหวน้อที่นี่คัดคลองน้อสั่นพะไปเห็นฉากซบ เห็นนา่งสนองก้มมว่างนอนอยู่เปลื่อยกาอยอยู่แท่านที่เอาพจน์ที่กำลิบในร่าคะเพจน์ในถือเป็นเหมือนศักศรในปาสาทละแล่เพิ่มเพจนอีกปะเพิ่มบารมีเพจนอุปสรรคอัน่ะแล้กายอืถ้าผู้นักเนร่าคะก็ต้องน้อมไปเนร่าคะเห็นยังอไเพจน์บนนักในราคะสติละ เนมาเป็นเครื่องหุ่นว่าคัดของเหมือนพีดิปในปาสานั่มไร้เหงื่อก็มี่สยายผมก็มีเปิดเปิงมากยุกมีอ่บุนละเมือเพื่อพึมพั่มกมี่เคละไหลออกกากปากก็มี่น่ารับยุนที่นี่หุ่นไหวเนาะที่นี่คัดคองเนาะ อ, อันนั้มันเป็นพระว่าหน้าเลยเด้ หนีกังคืนบริกรรมไปสั่นแล้วออไปพ่อพระ อ, องค์เจ้าที่นี่ไมหมบูไุไหว้ที่นี่ไหมคัดคล้องมานี่เถิดเหมือนด่านเทวดานะหรือทำมาละสิ่ดึงไปใส่กันเพราะธรรมดาเข็มมีโกนอยู่อทางไหเล็กแม่เล็ ก, ลกยื้อทางไหเข็มอันหน่อยมันเล็กตัวหน่อยมันกดดูดไปใส่ที่ข้างนี้ จำเป็นไปใกล้พระพุทธเจ้าที่นี่ไหมคุณไายที่นี่ไปคัดคลองมานี่เถิดนั่งลงเถิดทำไมนั่นคณะนั่นก็สิมิ น, น่งเอาชกกระเดียงทำแก่ถ่านอทอดร่องเท้าแล้วไปฟังธรรมเทศทานแรัแกถาศีลรถา อาที่กถาเนคมัมภกถาในการออกบวชเทศอริยสัจสีในสำเร็จพระหันพอบางแล้วพราะล่ า, ลาข้ามันหายไปแต่คนทางไหรือรักเป็นพระอานาคามีแล้วแต่คนทางไีพระจักบุ ทางประเทศอรลีัตซีบาทเดียร์ไปเลยที่บุนว่าที่คัดของจังไดของเพื่อนบบมีกิริที่นี่บวุ่นวายที่นี่บคัดของที่ใจของเพื่อนโบวุ่นวายบคัดของเน่เพ่นบบมีกิเออ เลี้ยวไปไซายว่เป็นตาเหลือมซ้ายักษ์บต่หัวลงมาตีมแต่ตีมขึ้นไปหัวก็ลายนี่จะบันเถามันแก้บรรเข้มบรตายเบือเดี๋ยวมึงผายหนอผังฮิต า, าทำ เหมือนกันอันเดียวกั น, นเสมอผักกันเหมือนนากองไส้เมื่อผู้ใดมีกิเล่ร้ายกับเพื่อนร้ายเทเ ย, ยาะเทย่านร้ายทุกข์ก็ร้ายผู้ใดมีกิเลีน้อยกับเทเ ย, ยาะเทย่านน้อยทุกข์ก็ น, น้อย ใส่เยอะทะยานในพบหนาและพบลังเ่ยกระป๋นดึงขาตา่แล้วเมื่อพี่เจ้านาไปใส่เหมือนหนากองไส้หมดแล้วอยู่เลยความจำเป็นไปเลยความจำเป็น กินด้วยคว่ำจำเป็นนั่งด้วยคว่ำจำเป็นนอนด้วยคว่ำจำเป็นเจ็บ ด, ด้วยคว่ำจาเป็นปวดด้วยคว่ำจำเป็นอืมไม่บ้านที่เป็นบ้านที่เป็นสาธิตอยู่จักบอสุขเกิดมากกรเพาะสุขในสกลละกายกระสวสามแกหงงูเน มีแต่ถูกอรดในกองหน้าลูกนี่พระนิพานมันบร่าว่าอายุน้าอดีตวัยอายุน้ามนาคตบวัยอาุน้ำปัจจุบันวัยอายุน้ำกองน้าลูกบัยอายุนําเป่าผู้ลูกกับว่ามันพระนิพานพระนิพานกับว่ามันผู้ลู พรนิพพานบอได้ว่าเป็นธาตุผู้หลุผู้หลุกับว่าได้เป็นธาตุพระนิพพานจิตกับยังไาจิตนิพานานพานกับยังไงนิพพานจิตกับว่าม่นนิพพานนิพพานกับว่ามั น, นจิตจิงไข่จิงมั่นอยู่เมื่อได้วุ่นไหวกันหมุนไหวแต่ควบมอเข่าใจรู้บ่าหลุดตามเป็นจริง ของคิดใจผู้เจ้ามีกิเลสยืดเสือซิ่งเมื่อนบอได้ว่าเป็นสองข้ามกันแก้เก็บตายก็บอกว่าถิมว่าเป็นสองข้ามกับศาสตร์กับภพบอกว่าถิมว่าเป็นสองข้ามกับสะกดละกายเป็นของกิ่งหรือยังสัตว์เขาไม่โยงสัตกิเลสก็บอได้ว่าถิมว่าเป็นสองข้ามกับจึดกับใจ เม bon, ื่อผู้ว่าห่าววัลลุเถ้าวว่าว vale ่าปฏิบัติเถ่าวว่าพลเท่าเข้าใจว่ามาเป็นสองข้ามกุมารคือสนิมแหละสนิมก็บอกว่าที่ไปเป็นสงข้ามเหมือนกับเล็กเล็กก็บ่กได้ยืนยันว่าสนิมมาเป็นสงข้ามกับโตพระอาทิตย์ก็บ่กได้ยืนยันว่าเมฆหมอกว่าเป็นสองข้ามกับโตเมฆหมอกก็บอ ยืนยันว่าพระอาทิตย์มาเป็นทองข้ามกับโตอันนั้นไม่ทำสันสูงดินก็บริยืนยันว่าหน้าม้าเป็นทองข้ามกับเล่ามาคัดของกับเล่าหน้าก็บด้ยืนยันว่าดินมาคัดของกับเล่า ไม่ลงคือการวัดสภาพว่าสังขารทั้งเป็นทุกจังสัตว์ไหนสิลูกถามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นจากปัญหาจาพคล้องตามเป็นจริงเกิดเป็นเรื่องแต่ละไล่ของไฟของมันลูกตามเป็นจริงในสั้นต้น รูปตามเป็นจริงแน่การปฏิบัติเบื้องต้นจัดคมรูปตามเป็นจริงไว้ซีตอนแน่พระพุทธศาสนาพระโสดาบันรู้ตามเป็นจริงตอนต้นปฏิบัติตามเป็นจริงตอนต้นรุดพ้นตามเป็นจริงตอนต้นพระสกทาข้ามีสันที่สองรูปตามเป็นจริง ละเอียดก็ไปลงละเอียดก็ไปลงพระก็พระโสดาบันอีกรูดละเอียดรูดทำเป็นจริงละเอียดก็ไปอีกปฏิบัติตามเป็นจริงละเอียดก็ไปอีกพ่นทำเป็นจริงะเอียดก็ไปอีกพระนาข้ามีคือกันพระหะหันรูดทำเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยพ่อแล้วรูดพ่นตามเป็นจริงด้วย เพมรู้ทำเป็นจริงปฏิบัติามเป็นจริงพ่นามเป็นจริงมันมียุสีสั้นสีบอกพยายามง่ายว่าข้าพเจ้าก็ดูทำเป็นจริงยยเ่ยจากมันจริงสันนส้นไหนบุขว่ามันสันน้โกกีหรือโกกุตะละบุโกกุตะละจากมันสั้นไหบุมันนะข้าพเจ้าดูทำเป็นจริงยู้เพราะว่าจมันจริงไดนสั้นไหบุ๊ อันโบมีสมมุติว่าเก็บประเสอุบายที่เคต็ลับมันก็บ่บมีเข้ามาทุกข์ก็เป็นโมขะโอเ้กายจะก็ทุกทุกทางกายมันก็เป็นโมฆะที่ทุกครังอันยิ่งสัจจะก็เป็นโมฆะที่ขันซาดว่าเป็นทุกข์ชาติปีทุกขาโบเป็นทุกข์ชา่าโบเป็นทุกข์มานันโบเป็นทุกข์ที่นี่ถ้ามาจัดว่าเขาบอบริบูรณนะ์เนาะ อริยสัจสี่กับว่าบริบูรณเนี่ยความนี้จะอริยสัจสามอริยสัจสีหมายถึงทุกสมุทัยนี่หลดมรรคได้เมื่อพี่แกณน้าเองท่นมันเป็นมรรคได้ท่านมันเป็นข้อปฏิบัติเด้เมันแจ้งในจิตมันก็เป็นนิโรธาสัญญาได้ท่านมันไม่มีควอมเหลื่อมใสในเกิดแก้เก็บตายมันก็เป็นปัจจักขสัญญาที่ท่นนมีปรสนากรรมยานันแหละเม่เหลื่อมใสในเกิดแก้เก็บตายซะท่น ชีวาจากโคปฏินิสโคก็เมนปฏินิสขะเพราะทรงคื่นเน่ควมจะคเคยเข้าใจพิษบมางทรงคืนหมดไม่อบอกอสันจะทรงคื่นไปใส่บูญห่ะทรงคลืนบางสกุลทิมสรงคลื่นไอ้แพ้ๆก็มาเอาแล้วพอแพ้ก็เต็มพ่อพ่อแหงและเข้ามาทรงคลืนกัมา ก, ก็ามาเข้าใจพิด อ, อัน ทรงขึ้นขเขาเขาจะพิษเนะี่ยทรงถิ่มป้อยถิ่มนะวันป้อยคร้วเขาจะพิษถิ่มนว่ารู้ตามเป็นจริงอืมคันเมื่อรู้ตามเป็นจริงตอนไหนมันก็ปฏิบัติตามเป็นจริงตอนนั้นมันกับรุดพ้นตามเป็นจริงตอนนั่นไปซึ่กนันนะช่วงมันจะกำลึบหรือไ่กำลิบมันกับขืนยุกับโพธิมันสัตว์หรือบอรสัตนะบอกสัว์อรรถวา่าเขาบรสัตมันกับกำลึบ เส้นพระสวัสาบาลนั่ิกิเลสเพิ่นเบาไปแล้วหาขาเพิ่นกับเบาไปแล้วโมสามัติเทเรนเมียผู้อื่นนี่มันบริกลับขึ้นมาอีกเลยฮะนี่ไม่ได้ขึ้นมาขบวดอีกเลยบสามารถสามาัติเทเรนเมียผู้อื่นบมสามัติเทเรนภัวผู้อื่นโมสามารถที่เสพสมลุกพอแม่เขาคือที่บวอนุญาตบ้านในแตงในแปลงมันบวขบวดขึ้นพวกเนี่ย มองศาสตรผู้พอนนะอ้องพสวยดาวนะกถ้าฆ่าองีเบาไปก็พระสวยดาวันอีกกันบางเนี่ยคำแม่ซอกคมันได้เทียบเอกกอนนะสอบส้นเดียวกั น, นได้เทียบเอกใคะแน้ถิ่มใช่ไหมคำแม่้นเดียวกันผูมอเดียวกันเสวนพระหน้าฆ่ากัน พระนาค่าพวกที่ปรินิพลาดในวกที่เกิดหนึ่งคำาห้สอบก็สอบเลยเทียบเอกแล้วก็แม่ออกเป็นฮาพวกอีกขึ้นกันพวกที่ใส่ความเพียนเรียวแง่กันเป็นพระนาค่าสั น, สนติอ่ันสันโ้ พวกที่ตายแล้วไปเกิดอวิหาอาตัตปาสุตส า, าสุตสีอากนิทะกาเนเลื่อนขึ้นไปขึ้นไปแล้วก้ับแล้วกันตัวนี้นิพพานรุ่นมูลสุ่มนี่พวกแกตว่าพระโสดาวันสัานเอ็ด กษัระโสดาวันเกิอดอีกาสาตว์หนึระโดาวันสันโถเกิอดอีกสามาสตว์ระโ์ดาวันสันตีเกิอดอีกเก็บสัตวพกะตริย์ท่าข้าม่นี <c> ่ <oughs> มีพูดเดียวกัน พระธาตขามีพปูปรากฏไปเป็นพระอาณาค้ามสักขาทาภามีอยู่ในเทวโลกโลงมาเกิดในมนุษย์แกกมนุษย์ไปไปนิพพานในเทวโลก